บทภาชนีติกาปาจิตตีสี่ร้อุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันิกล่าวอย่างนั้นต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันิภิกษุไม่แน่ใจกล่าวอย่างนั้นต้องอบัตติปาจิตตีอุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันิกล่าวอย่างนั้นต้องอบัตติปาจิตตีทุกกฎภิกษุนั้นอันอุปสัมบันิว่ากล่าวตักเตือนด้วยเรื่องที่ไม่ใช่พระบัญญัติ กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไปเพื่อความขัดเกลวาไม่เป็นไปเพื่อความกําจัดไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความไม่ก่อไม่เป็นไปเพื่อความปรารบความเพียรกล่าวว่าท่านทั้งหลายกระผมจะยังไม่ศึกษาในศิกขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นพระวินัยทรผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้เป็นพระหูสูตรผู้เป็นพระธรรมกถึก ดังนี้ต้องเอบัตรทุกกฎภิกษุนั้นอันอนุปัสมบันว่ากล่าวตักเตือนด้วยพระบัญญัติหรือไม่ใช่พระบัญญัติกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไปเพื่อความขัดเกลว์ไม่เป็นไปเพื่อความกําจัดไม่เป็นไปเพื่อความไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความไม่ก่อไม่เป็นไปเพื่อความปรารบความเพียรกล่าวว่าท่านทั้งหลายกระผมจะยังไม่ศึกษาในสิขาบทนี้ จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นพระวินัยทรผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้เป็นผู้หูสูดผู้เป็นพระธรรมกถึกดังนี้ต้องอบัตทุกกฎอนุปปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปปสำบันต้องอบัตทุกกฎอนุปปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎอนุปปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปปสัำบันต้องอบัตทุกกฎคาว่าผู้ศึกษาคือผู้ใไข่สําเนียก คำว่าพึงรู้คือพึงทราบคำว่าพึงสอบถามคือพึงสอบถามว่าท่านผู้เจริญสิกขาบทนี้เป็นอย่างไรหรือสิกขาบทนี้มีเนื้อความว่าอย่างไรคำว่าพึงพิจารณาคือพึงคิดพึงไตรตรองคำว่านี้เป็นการทาที่สมควรในเรื่องนั้นคือนี้เป็นความถูกต้องในเรื่องนั้น